1.23 สสสติมีทั้งที่ประกอบด้วยปัญญาและไม่ประกอบด้วยปัญญาเราปฏิบัติไม่ได้หวังให้มีสติตลอดเวลาเพราะสติเป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันสติเป็นอนัตตาสั่งให้เกิดไม่ได้เหมือนกันบางครั้งสติเกิดบางครั้งไม่เกิดฉะนั้นเราจะมาเห็นแค่เห็นสภาวะตลอดเวลาก็เห็นไม่ได้แล้วเพราะไม่มีสติมีบ้างไม่มีบ้าง ส่วนจะเห็นไตรลักษณ์หรือไม่เห็นไตรลักษณ์ขึ้นอยู่กับว่าจะมีปัญญาหรือไม่มีปัญญาบางครั้งมีสติยังไม่มีปัญญาเลยมีสติแต่ไม่ประกอบด้วยปัญญาก็มีมีสติประกอบด้วยปัญญาก็มีฉะนั้นจิตที่มีสติเป็นกุศลแล้วจะมีสองชนิดพวกหนึ่งเรียกว่าญาณสัมปยุตคือประกอบด้วยปัญญาอีกพวกหนึ่งเรียกว่าญาณวิปยุตคือไม่มีปัญญารู้ง้ง้อไปอย่างนั้นแหละรู้ซื่อบือ้อ รู้เนือ้อรู้ตัวไม่เผลอไม่หลงนะรู้ตัวอยู่เฉยๆแต่ว่าไม่มีปัญญาเห็นไตรลักษณ์ของรูปของนามเบื้องต้นก็ให้รู้สึกตัวเป็นก่อนพอรู้สึกตัวเป็นขึ้นมาถ้าสติจำสภาวะของรูปได้รูปเคลื่อนไหวสติไปรู้ทันด้วยใจที่ตั้งมั่นมีเงื่อนไขว่าใจตั้งมั่นสักแต่ว่ารู้ว่าดูปัญญาถึงจะเกิดนะเพราะฉะนั้นสัมมาสมาธิหรือความตั้งมั่นของจิต เป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญา